เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญบุญบารมีเพราะบุญบารมีเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญแก่ชีวิตจิตใจไม่ได้เกิดจากความปรารถนา เพียงอย่างเดียวความปรารถนาให้ตนสุขให้เจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให้เกิดผลเหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือการบำเพ็ญบุญบรารมีอย่างที่ท่านได้มา บางเพนกันในวันนี้เช่นทานบารมีศีลบารมีเนขคัมภบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นเหล่านี้ <c oughs> เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของท่านจเจริญขึ้นดีขึ้นไปตามลำดับต่อไปแต่ ต้องเข้าใจว่าการบำเพ็ญ <deadline> mm hmm. บุญบารมีเพื่อให้เกิดผลนั U ้นก็เป <gosh. S 2> ็นเหมือนกับการปลูกต <Gr> ้นไม้เราปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับดอกผลจากต้นไม้ในวันนี้เลยเพราะต้นไม้ก็ต้องใช้เวลา จเจริญเติบโตไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้นไม้โตเต็มที่แล้วก็จะออกดอกออกผลให้กับเราฉันใดการบําเพ็ญบุญบรารมีต่างๆในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลขึ้นมาทันทีทันใดในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ แต่อาจจะต้องรอไปถึงชาติหน้าพบต่อไปที่จะทำให้เกิดบุญบา ร, รมีที่เกิดผลของบุญบา ร, รมีต่างๆส่วนในชาตินี้เราก็ได้รับผลของบุญบา ร, รมีและผลของบาปกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตชาติ จึงทำให้พวกเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันเพราะในอดีตเราได้สะสมบุญบารมีได้สร้างบาปสร้างกรรมมาไม่เท่าเทียมกันนั่นเองความแตกต่างจึงเกิดขึ้นในตัวของพวกเราแม้จะเกิดมาในครอบครัวเดียวกันก็ตาม เป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังมีความแตกต่างกันเนื่องจากพวกเราไม่ได้มาจากพ่อจากแม่คือใจของพวกเรานี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ใจนี้มาจากชาติก่อนใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปแล้วใจก็ ไปหาร่างกายอันใหม่ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีหรือบาปกรรมที่ได้ทําไว้จะเป็นตัวผลักดันให้ไปได้ร่างกายชนิดต่างๆถ้ารักษาศีลบา ร, รมีเจริญศีลบา ร, รมีอยู่อย่างสม่าเสมอเช่นรักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงหรือได้มากกว่าการละเมิดศีลห้า โอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากกว่าโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. เพราะสัตว์เดรัจฉานนี่เกิดจากเหตุก็คือการไม่รักษาศีลห้านั่นเองไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมา ถ้าไม่รักษาศีลห้าละเมิดศีลห้าอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะมีมากกว่าโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ารักษาศีลห้าได้มากกว่าการละเมิดศีลห้าโอกาสที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีมากกว่า อยู่ที่ศีลห้านี้เป็นเหตุว่าเราจะไปอบายหรือเราจะไปสุขติถ้าเรามีศีลห้าอย่างมั่นคงเราจะไปในสุขติไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมต่อไปนะแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลห้าหรือรักษาน้อยก็จะไปอบายเป็นส่วนใหญ่ ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนี่เป็นเรื่องของบุญบารมีคือศีลบารมีส่วนทางบารมีนี้จะทำให้เรามีฐานะทางการเงินการทองแตกต่างกันถ้าเราทำทานมามากเราก็จะได้มาเกิด มีฐานะการเงินการทองที่ดีถ้าเราทำมาน้อยเราก็จะมาเกิดยากจนอัตคัดขัดสมสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของฐานบา ร, รมีถ้าเราอยากจะเกิดในชาติหน้าแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เราก็ควรหมั่น สร้างทานบารมีการสร้างทานบารมีก็คือการนำเอาวัตถุเข้าของทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็นำเอามาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เดือดร้อน การให้วัตถุเข้าวัตถุต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานทานนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันนอกจากวัตถุทานแล้วก็มีวิทยาทานวิทยาทานก็คือการให้ความรู้แก่ผู้อื่นโดยไม่เรียกค่าตอบแทนเช่นเรารู้วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ รู้ภาษาอังกฤษเราก็สอนเด็กที่ต้องการที่จะเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เราก็สอนเด็กไปโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทองไม่เรียกค่าใช้จ่ายตอบแทนอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทาน ทานอีกชนิดหนึ่งก็คืออภัยทานคือการให้อภัยแก่ผู้อื่นเวลาที่เราเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองผู้อื่นใจของเราจะร้อนเป็นไฟจะทุกข์จะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราจะสงบเย็นจะสบาย มีความสุขก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเป็นบารมีเป็นทานบารมีอีกอย่างหนึ่งและบารมีทานบารมีชนิดที่ส<ม>ก็คือ<ม>ทำธรรมทานการให้ธรรมะสอนผู้อื่นให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เห็นใครทำบาปก็ถ้าเขา พอจะสอนบอกเขาได้ก็สอนบอกเขาไปเช่นลูกหลานของเราอย่าให้ลูกหลานไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปตบยุงอย่าไปตีมดถ้าไม่ต้องการมันก็ใช้อะไรปัดใช้อะไรไล่มันไปอย่าไปฆ่ามันอย่าไปยิงนกตกปลาอย่างนี้เป็นตน้นสอนเขาเพื่อเขาจะได้ มีธรรมะมีแสงสว่างที่จะพาให้ชีวิตของเขาอยู่ในสุขติได้เมื่อเขารู้แล้วว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการละเมิดศีลนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เขาต้องไปตกนรกต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปเขาก็จะไม่กล้าทําเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป นี่ก็เป็นการให้ชนิดที่สเรียกว่าธรรมทานถ้าเรามันสร้าง<ม>ทานบา ร, รมีอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีสิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่ข้างหน้าไปเจอใครเราอาจจะไม่มีเจตนาไปทำร้ายทำให้เขาเดือดร้อนหรือโกรธแค้นโกรธเคือง แต่ถ้าเราเคยให้อภัยแก่ผู้อื่นเขาก็จะให้อภัยกับเราถ้าเราอยู่ในสภาพที่จิตใจมีแต่ความทุกข์มีความเศร้าหมองก็จะมีคนให้ธรรมะกับเราให้แสงสว่างกับเราเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ถ้าเราไม่มีวิชาความรู้ เราก็จะมีคนส่งเราให้ได้เรียนหนังสือได้ไปศึกษามีมีวิชามีปริญญานี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานบารมีนอกจากนั้นการให้ทานบารมีนี้จะทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามผ่องใส คนที่ไม่ให้ทานบารมีก็ต้องอาศัยเครื่องสำอางเป็นตัวทำให้ผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสวยงามแต่ก็สวยแบบจับลิงมาแต่งตัวไม่สวยแบบธรรมชาติคนที่ทำทานบารมีมาอย่างสม่ำเสมอเวลามาเกิดจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแต่หน้าทาปากให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะจะสวยด้วยธรรมชาติที่เกิดจากทานบา ร, รมีนี้นี่คือเรื่องของทานบา ร, รมีและศีลบา ร, รมีในขณะที่เราบังเพนบา ร, รมีเราจะได้รับผลอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยก็คือความสุขใจความสงบ ความเย็นสบายความอิ่มใจความภูมิใจเวลาเราได้ทําความดีเช่นให้ทานหรือรักษาศีลใจของเราจะเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลใจจะรุ่มร้อนด้วยความโลภด้วยความอยากความตณีความเห็นแก่ตัว และความหวาดกลัวเวลาไปทำร้ายผู้อื่นใจก็จะหวาดกลัวกลัวที่จะต้องใช้เวรใช้กรรมใจก็จะมีความรุ่มร้อนนี่เป็นผลที่เราสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันในชาตินี้ในวันนี้ในเวลาอนี้เช่นเดี๋ยวนี้ ทั้นก็มีความสบายใจมีความสุขใจในระดับหนึ่งจิตใจไม่วุ่นวายไม่กวนกวายไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอาศัยอำนาจของทางบา ร, รมีนี้มาทำให้ใจเย็นให้ใจมีความอิ่มมีความพ อ, อนอกจากทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแล้วก็มีเนก ธ, ธรรมบา ร, รมี นี่เป็นบารมีสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องเจริญเนกขมมะบารมีคือจะต้องสารวมตาหูจมูกลิ้นกายละเวนจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายเช่น ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ดื่มไม่รับประทานเครื่องดื่มหรือขนมเพื่อความสุขของใจถ้าจะดื่มหรือจะรับประทานก็ดื่มหรือรับประทานเพื่อร่างกายเท่านั้นการดื่มหรือการรับประทานเพื่อร่างกายนี้ก็มีเวลาเช่น ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอย่างนี้ร่างกายไม่ต้องการอาหารตลอด24ชั่วโมงรับประทานเพียงครั้งสองครั้งก็พอกับการอยู่ของร่างกายนี่คือเนคขมะบา ร, รมีก็คือการถือศีลแบบนี้เองผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพาน ก็จะต้องถือในกข ม, มะศีนเนกข ม, มะคือนอกจากศีนห้ข้อแล้วศีนข้อที่สก็เปลี่ยนจากการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือการไม่ไปหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนข้อนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอัรังมัจจารยาละเว้นจากการหลับนอนกับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือไม่ก็ตามคือไม่หาความสุขจากการเสพการนั่นเองจะหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปก็ได้จนกว่าจิตจะสงบพอจิตจะสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เลิศ ก, กว่าการนอนกับหลับนอนกับผู้อื่น เพราะการหลับนอนกับผู้อื่นนี้มันไม่ได้สุขเสมอไปบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขแล้วก็เวลาสุขแล้วก็ต้องอยากจะนอนใหม่อีกก็ต้องเป็นเหมือนยาเสพติดไปเวลาไม่มีคู่ครองต้องนอนคนเดียวก็นอนไม่หลับกระสับกระสายกังวลกวายเป็นโทษตามมาความสุขได้เพียงนิดเดียว ได้ในตอนที่ได้ร่วมหลับนอนกันแต่พอวันไหนไม่ได้ร่วมหลับนอนกันเช่นเกิดวันไหนทะเลาะกันวันนั้นก็ไม่ต้องนอนด้วยกันก็ไม่มีความสุขมีแต่ความว้าเหวมีแต่ความเหงาตามมานี่คือความสุขที่ได้จากการหลับนอนกับผู้อื่นได้ทั้งสุขและได้ทั้งทุกข์เวลาสุขก็ดี แต่เวลาทุกนี้มันจะแสนทรมานและเมื่อเวลาที่คู่ครองของเราตายจากเราไปหรือทิ้งเราไปตอนนั้นก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งผู้ฉลาดถ้ามองเห็นมองเห็นอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแล้วคิดเผื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะจากเราไปโดยที่เราอย่างไม่พร้อมก็ได้ เราอาจจะตายไปก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะเบื่อเราหรือไปชอบคนอื่นแล้วทิ้งเราไปตอนนั้นเราจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราพยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้แสวงหาความสุขกับการหลับนอนด้วยการเริ่มต้นถือศีลแปดตอนต้นก็ถืออาทิตย์ละครั้งไปก่อนก็ได้เช่นวันพระเราก็มาถือศีลแปด และเว้นจากการหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วถ้าเราเห็นว่ามันทำให้จิตใจเรามีความสุขสบายใจมากขึ้นเราก็ทําเพิ่มขึ้นไปจากวันหนึ่งเป็นสองวันสามวันทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถทําได้ตลอดถ้าทําได้แล้วเราจะไม่มีปัญหากับคู่ครองของเราเขาจะอยู่เขาจะตาย เขาจะซื่อสัตย์กับเราหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอีกแล้วเพราะเราไม่ได้พึ่งพาอาศัยเขาไว้ให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญเนกขัมมะบาีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพร หรือไม่เช่นนั้นก็ได้ไปถึงพระนิพพานถ้าเราปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไป<ม>ทำที่เราต้องปฏิบัติขั้นสูงต่อไปก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาก็คือการทำใจให้ละให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ คือเห็นอะไรก็ไปอย่าไปชอบอย่าไปอยากได้หรื อ, อย่าไปเกลียดอย่าไปต้องการให้มันหายไปเห็อนอะไรก็สักแต่ว่าเห็นทำรับรู้ไว้เฉยๆก็พอไม่ต้องชอบไม่ต้องชังวิธีที่จะทำให้ใจของเราเป็นอุบเบกขาได้ไม่เกลียดชังไม่ชอบเราก็ต้อง ฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาทำสมาธิจนจิตสงบตัวลงแล้วจิตจักจะนิ่งสงบจะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาเราก็จะรู้ว่าวิธีทำจิตใจของเราให้เป็นอุเบกขาทำอย่างไรเพราะเราได้สัมผัสกับอุเบกขาในขณะที่ทำสมาธิแล้ว ถ้าใจของเราเห็นอะไรยังอยากได้อยู่ยังโกรธยังเกลียดอยู่เราก็ต้องเจริญบารมีอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกที่เราเห็นที่เราสัมผัสอยู่นี้เป็นเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันหมดเราเป็นหลงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอง เพราะเราไม่รู้ว่าเขามาจากอะไรถ้าเรารู้ว่าเขามาจากที่เดียวกันหมดไม่ว่าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าข้าวของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากการผสมของดินน้ำลมไฟท้งนั้นไม่ได้มาจากอะไรเลยร่างกายของเราก็มาจากการผสมของดินน้ำลมไฟด้วยการรับประทานอาหารต่างๆ อาหารต่างๆก็มาจากผักมาจากข้าวมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งมาจากการผสมของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ม า, มาเารวมกันแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแยกทางกันไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายของเรา พอตายไปมันก็ละลายสลายกลับกลายคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปหมดร่างกายของเราไม่อยู่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือของไขรก็ตามดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมาจากดินน้ำลมไฟเท้งนั้นและไม่อยู่ไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตลอดไป มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเวราจานก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็แยกตัวออกจากกันกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ รักไม่ชังเพราะเราไม่เคยรักชังกับดินน้ำลมไฟเราเห็นน้ําเราก็ไม่ได้รักน้ําหรือเกลียดน้ําเห็นดินเราก็ไม่เกลียดน้ําเกลียดดินเห็นลมเราก็ไม่ได้เกลียดลมเรืองรักลมเห็นไฟเราก็ไม่ได้รักลมรักไฟรักหรือเกลียดไฟฉันใดถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปหลงรักชังอยู่นี่ ก็เป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่รักไม่ชังกับอะไรและเราไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าดินน้ำลมไฟไม่สามารถทำให้ใจของเรามีความสุขได้สิ่งที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการทำจิตใจให้สงบ ด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาเท่านั้นพอเรามีทั้งสมาธิมีปัญญาแล้วใจของเราก็จะไม่กระเพื่อมใจของเราจะไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่เกลียดสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจพอรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟได้มามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสุข แต่กลับจะทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพราะเมื่อได้มาแล้วเราก็จะเกิดความหวงความห่วงความเสียดายเวลาที่เราสูญเสียมันไปใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่กับสิ่งต่างๆสู้ไม่มีอะไรเลยจะดีกว่าถ้าเราเห็นความสุขของใจที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไร ที่จะสุขเท่ากับความสุขภายในใจของเราเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วต่อไปเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เบื่อหน่ายในวัตถุเข้าของเงินทองเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมชเบื่อหน่ายในบุคคลต่างๆจะไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ใกล้หรืออยากจะได้เขามา ครอบครองไว้เป็นสมบัติต่อไปอยากจะอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวนี้แสนจะมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาวิตกกับเรื่องของคนนั้นกับเรื่องของคนนี้นี่แหละคือเรื่องของอุเบกขาบารมีและปัญญาบาลมี ปัญญาบารมีก็เกิดได้จากการฟังเทศฟังธรรมเช่นวันนี้วันนี้เราได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือเราเคยได้ยินแล้วเราก็จะเข้าใจดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราฉลาดไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา ความสุขที่ได้นั้นมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลหวานเพียงนิดเดียวแล้วก็เหลือแต่ความขมความสุขทั้งโลกนี้ก็มีเพียงนิดดมีเพียงนิดเดียวแต่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้อะไรมาแล้วก็มีความสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆ พอหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมาคอยทุกข์กับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือเป็นบุคคลจะต้องมาคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลกับวัตถุกับบุคคลต่างๆนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เรารู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้หลีกเลี่ยงความทุกข์ เราจะได้สร้างความสุขให้มีมากขึ้นความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการบําเพ็ญบารมีต่างๆนี้เองเช่นทานบารมีศีลบารมีเนขัมมะบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีขอให้เราพยายามสร้างให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปส่วนความทุกข์ก็เกิดจากความยึดติดกับ สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับใจมีแต่จะให้ความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปปรารถนาอย่าไปยินดีอย่าไปอยากเป็นใหญ่เป็นโต มีตำแหน่งสูงๆเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง ม, มีแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายนี้ก็อยากไปปรารถนาะอยากกลับมาเกิดใหม่เพราะกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต้องมาจากคนนั้นจากคนนี้ไปอีกกว่าจะโตขึ้นมาเป็น เป็นหนุ่มเป็นสาวช่วยตัวเองได้ก็ต้องให้คนอื่นเขาเลี้ยงดูเราอีกแล้วอยู่ไปได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องแก่อีกแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอีกแล้วแล้วก็ต้องตายอีกแล้วดังนั้นอย่าไปยึดติดกับร่างกายมองร่างกายให้เห็นว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทํามาจากดินน้ําลมไฟเดี๋ยวสักวันหนึ่งตุ๊กตาตัวนี้ มันก็ต้องสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจใจผู้ครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟแต่ตอนนี้ใจไม่รู้จริงใจรู้หลงใจรู้แบบหลงหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจก็เลยเกิดความตกใจ เวลาร่างกายเป็นอะไรไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตกใจเวลาร่างกายตายไปก็ยิ่งตกใจใหญ่แต่ถ้าใจมีปัญญาใจแยกแยกออกจากกายได้แล้วรู้ว่าใจกับกายเป็นคนละคนกันกายก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนต่อไปใจก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกาย ของใจอันนี้เพราะใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายเป็นเพียงเหมือนเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันที่มาอยู่ร่วมกันเท่านั้นเองแต่สักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันร่างกายก็ต้องกลับไปบ้านเก่าร่างกายต้องกลับไปสู่ดินน้ำหลงไฟใจก็ไปตามบุญตามกรรมต่อไปถ้ามีบุญมากก็ไปสู่ความสุข ถ้ามีทุกข์มากมีบาปมากก็ไปสู่ความทุกข์นี่มีอยู่เท่านี้แหละเรื่องของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามสร้างบุญบารมีให้ไม่มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญบารมีนี้จะช่วยดับความทุกข์ทั้งหลายในใจของเราได้จะทําให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขไปตลอด เช่นเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านสร้างบุญบารมีจนเต็มตนจนเต็มที่แล้วบุญบารมีนี้ก็จะสร้างแต่ความสุขให้แก่ใจไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออ น, นิสงส์ผลบุญของบุญบารมีที่มีคุณค่ากว่าสิ่งอื่ น, นทั้งหลายในโลกนี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีกันต่อการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสีงรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ